วันนี้เป็นวันที่เก้าพฤภาคมพุทธศักราช2562ัาเป็นวันพืชศมงคลเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดทำงานของผู้ที่รับราชการจึงมีศรัทธาญาติโยมบางส่วน ที่ไม่ต้องไปทำงานทำการในวันนี้ได้ใช้วันหยุดราชการนี้เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีความศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พุทธบริษัทมันจเจริญ มันสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะบุญกุศลนี้เป็นที่พึ่งของใจบุญกุศลนี้เป็นผู้ให้ความสุขความสบายแก่ใจถ้าอยากจะมีความสุขความสบายใจก็ต้องมีบุญมีกุศลไว คอยให้ความสุขความสบายบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเป็นเหมือนกับอาหารชนิดต่างๆอาหารก็มีหลายชนิดเราก็เลือกรับประทานอาหารตามความ พอใจของเราบุญก็เหมือนกันเราก็สามารถเลือกทำบุญต่างๆตามพอใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดไหนก็จะให้ความสุขความอิ่มใจต่อผู้กระทาเหมือนกับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนรับประทานก็ไปแล้วก็จะให้ความอิ่ม ต่อร่างกายดังนั้นเมื่อมีเวลามีโอกาสจึงควรที่จะรีบสะสมบุญเพราะบุญนอกจากจะให้ความสุขความสบายในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปใจยังต้องอาศัยบุญให้ความสุขต่อไปถ้าไม่มีบุญหรือสร้างบุญไว้น้อย เวลาที่ร่างกายตายไปจะไม่มีอะไรมาให้ความสุขดังนั้นมีเวลาว่างเมื่อไหร่ควรจะทำบุญเมื่อนั้นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุสิบประการคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการ ให้การแบ่งปันเรียกว่าทาน2บุญที่เกิดจากการละเว้นการกระทํำบาปทั้งปวงเรียกว่าศีล 3. บุญที่เกิดจากการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าภาวนาสีบุญที่เกิดจากการ อนุโมทนาบุญเรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการแบ่งปันบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเรียกว่าการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการ การทำตนเองให้เป็นผู้อ่อนน้ำถ่อมตนมีสัมมาคาระวะบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ทำแก่ผู้อื่น ให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นนี่คือบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันกระทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนกับการให้อาหารให้ที่พึ่งต่อจิตใจนั่นเองถ้าร่งถ้าจิตใจขาดที่พึ่ง ขาดบุญขาดกุศลก็เหมือนร่างกายขาดที่พึ่งร่างกายขาดที่พึ่งคือปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนจิตใจขาดบุญขาดกุศลก็จะอยู่อย่างไม่สบายอยู่อย่างวุ่นวายใจดังนั้นควรที่จะ พยายามสร้างบุญต่างๆให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะบุญไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจยิ่งมากยิ่งดีบุญข้อที่หนึ่งคือทานส่งสอนให้มีการแบ่งปันเสียสละสิ่งของต่างๆข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ ที่เราไม่ต้องใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไม่เอาไม่ได้เอาไปก็เอาสิ่งของที่อยู่วางไว้เฉยๆนี่มาทำประโยชน์มาทำบุญทำทานดีกว่าเพราะถ้าปล่อยไว้เฉยๆก็จะไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจแต่ถ้าเอาไปแจกเป็นทาน เอาไปแบ่งปันเอาไปให้ผู้ที่เขาขาดแคลนผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาใจก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเรียกว่าทานทานนี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันถ้าให้ข้าวของเงินทอง วัตถุสิ่งของต่างๆเรียกว่าวัตถุทานถ้าไม่มีวัตถุทานแต่มีความรู้ในด้านต่างๆเช่นมีความรู้ในการทำกับข้าวกับปลาอาหารมีความรู้ในการเย็บปักถักร้อยมีความรู้ในการ เย็บเสื้อผ้ามีความรู้ในการเสริมสวยความงามทำเเผาทำผมแต่งหน้าทาปากถ้าเอาความรู้นี้ไปสอนให้แก่ผู้ที่อยากจะเรียนรู้โดยที่ไม่คิดเงินทองเป็นการให้ฟรี เรียกว่าเป็นการทําทานเรียกว่าวิทยาทานวิทยาแปลว่าความรู้หรือถ้ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ความรู้ทางภาษาอังกฤษจะเอาไปสอนเด็กโดยที่ไม่คิดเงินทองก็ได้เหมือนกันได้เป็นทานเหมือนกัน เรียกว่าวิทยาทานและทานชนิดที่สามก็คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆที่เราอ่านแล้วมีความรู้สึกว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจช่วยทำให้จิตใจมีความสุขลดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไป ได้ถ้าอยากจะเอาไปพิมพ์ใหม่เพื่อเอาไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานก็ได้เดี๋ยวถ้ามีหนังสือมากไม่อยากจะเก็บเอาไว้อ่านแล้วเข้าใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปแจกให้ผู้อื่นเพื่อผู้อื่นจะได้อ่านต่อก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น หรือว่าถ้ามีความมีธรรมะอยู่ในใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้ธรรมชนิดต่างๆพอมีผู้ที่สนใจอยากจะรู้ก็สามารถสอนได้บอกได้โดยไม่คิดเงินทองเช่นสมัยนี้มีคนอยากจะเรียนวิธีนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิเป็น เราก็สอนวิธีนั่งสมาธิให้แก่ผู้อื่นได้ก็เป็นการให้ธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมทานการกระทาเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์ก่อผู้อื่นจะทำให้จิตใจของผู้ให้นั้นมีความสุขมีความสบายใจ ม, มีความอิ่มใจนี่คือ บุญข้อที่หนึ่งคือทานบุญข้อที่สองคือศีลคือการละเว้นจากการกระทาบาปทั้งฟวงและอบายมุขทั้งหลายเพราะบาปและอบายมุขนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจเป็นผู้ที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจนั้นเอง ถ้าไม่กระทำบาปไม่เสพอบายามุข ค, ความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดัางนั้นถ้าอยากจะไม่ต้องการให้มีความทุกข์ภายในใจก็ต้องละเว้นจากการกระทำบาปและละเว้นการเสพอบายามุขบาปข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์สอง การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี 4. การพูดปด 5. การเสพสุรายาเมาซึ่งถือว่าเป็นอบายามุกด้วยนอกจากอบายามุก ค, คือการเสพสุรายาเมาแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวเต่ความเกลียดคร้าน การครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจเพราะว่าการกระทำเหล่านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีแต่โทษทั้งกับตนเองและกับผู้ถ้าไปทำบาป ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไม่ต้องการให้ใจทุกร้อนก็อย่าทําบาปอย่าเสพอบายามุขเพราะว่าอบายามุขจะทําให้ไปทําบาปได้ง่ายเพราะการเสพอบายามุขนี้มีแต่สูญเสียทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองไม่มีรายได้จากการเสพอบายามุข ถ้าเสพบาบยามุกแล้วไม่มีเวลาไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองต่อไปทรัพสมบัติเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องหมดเมื่อหมดก็ไม่ไม่รู้จากวิธีหาโดยวิธีที่สุดจริตก็จะไปหาโดยวิธีที่ทุตจริตคือไปทำบาปนั่นเองไปช่อโกงไปรักทรัพ ไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินทองมาใช้ต่อไปนี่คือการกระทําที่เป็นโทษต่อจิตใจถ้าไม่ต้องการให้มีความทุกข์ความร้อนใจที่เกิดจากการกระทําบาปและการเสพอบายามุขก็ต้องถือศีลถือศีลหและเว้นการเสพอบายามุข แล้วภัยความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีความทุกข์ใจใจก็เย็ยนใจจะสบายก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งคนที่ไม่ทำบาปกับคนที่ทำบาปนี้จะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันคนทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะวิตกกังวลหวาดกลัว คนที่ไม่ทำบาปนี้ใจจะเย็นจะสบายจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวต่ออะไรนี่คือบุญข้อที่สาคือบุญที่เกิดจากการอ้อที่สองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลละเว้นการกระทำบาปละเว้นการเสพอบายามุขต่างๆ บุญข้อที่สามคือบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนาแปลว่าการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่จะมีความสุขอย่างมากจิตใจไม่มีความสุขเพราะจิตใจมีเครื่องเศร้าหมองคุ้มห่ออยู่ สิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าต้องการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตใจก็ต้องใช้การภาวนาเป็นเครื่องชำระไม่มีวิธีอื่นที่จะสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ การทำบุญทำทานการรักษาศีลหรือการทำบุญชนิดต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะชาระใจให้สะอาดได้ให้ความสุขกับใจเพียงแต่ให้ความสุขใจไปแต่ไม่สามารถกำจัดเครื่องเศร้าหมองได้ใจยังจะต้องเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะได้รักษาศีลอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะได้ทําบุญชนิดอื่นอย่างสม่ำเสมอก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความเศร้าหมองให้ออกไปจากใจได้ถ้าต้องการให้ความเศร้าหมองหมดไปจากใจจําเป็นที่จะต้องชําระจิตใจให้สะอาดด้วยการภาวนา การภาวนานี้ก็แบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาต้องทําตามขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือต้องเรียนขั้นปรถมมัธยมแล้วถึงค่อยไปเรียนขั้นอุดมศึกษาต่อไป ถ้าจะเรียนข้ามขั้นก็จะมักจะเรียนไม่สำเร็จถ้ายังไม่ได้เข้าปถมไม่ได้เข้ามัธยมแล้วจะไปเข้าขั้นอุดมศึกษาก็จะเรียนไม่สำเร็จจาเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนของการเลี้ยงล่เรียนการชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองก็เหมือนกัน จำเป็นที่จะ ต, ต้องผ่านขั้นสมถะถึงจะไปขั้นวิปัสสนาได้ขั้นสมถะก็จะทำให้เครื่องเศร้าหมองนี้สงบตัวลงไปชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความเศร้าหมองให้หมดไปอย่างถาวรด้วยขั้นของสมถะเมื่อ สามารถทำให้เครื่องเศร้าหมองอสงบตัวลงได้ด้วยการปฏิบัติสมาธภาวนาแล้วขั้นที่สองถึงจะเข้ามาต่อไปคือเข้ามากําจัดความเศร้าหมองหรือเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาที่ถูกแยกออกจากใจชั่วข่าวนี้ ให้หลุดออกจากใจอย่างถาวรต้องใช้วิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่ก่อนที่จะกำจัดได้จำเป็นจะต้องอาศัยสมถาภาวนาลดกำลังหรือทำให้ กิเล ส, สกิเลสตัณหานั้น อ, อยู่นิ่งๆก่อนอไม่ทำงานแล้วพอจะเริ่มทำงานก็เอาปัญญาคือวิปัสสนามาทําลายได้ทันทีถ้ายังไม่มีสมถะภาวนากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี้จะมีกำลังมากที่ปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนา จะไม่สามารถสู้ได้จะสู้กับกิเลสตัณหาได้นี้ต้องทำให้กิเลสตัณหาอ่อนกำลังลงก่อนสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหาอ่อนกำลังลงก็คือสมถภาวน า, าเหมือนกับการชกมวยถ้าคู่ต่อสู้ยังไม่ได้ถูกนับแปดนี้จะนัอกคู่ต่อสู้ได้ยาก แต่ถ้าสามารถทำให้คู่ต่อสู้นี้ล้มลงไปแนละ้วนับแปดได้พอลุกขึ้นมานี้ผู้คู่ต่อสู้จะไม่มีกําลังวังชาเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ถูกนับแปดพอลุกขึ้นมาก็ยังเดินโซเซอยู so นะ่ก็สามารถที่จ ะ, อะเอาผู้คู่ต่อสู้ ให้ล้มลงไปนับสิบได้เอาชนะได้อย่างง่ายได้ฉันใดการชำระใจก็เป็นอย่างนั้นต้องแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือลดกำลังของคู่ต่อสู้หรือของของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้อ่อนกำลังลงด้วยอำนาจของสมถภาวนา พอกิเลสตัณหาถูกอำนาจของสมถะภาวนาลดทอนกำลังลงให้ลงแล้วปัญญาหรือวิปั ส, สนาภาวนาก็จะสามารถเข้ามากำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้ออกไปจากใจได้อย่างถาวร น, นี่เป็นวิธีชำระจิตใจ ที่ต้องมีการชำระตามขั้นตามตอนก่อนขั้นที่หนึ่งคือทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาการจะทำใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้หยุดความคิดปรุงแต่งของจิตใจเพราะความคิดของปรุงแต่งของจิตใจนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตใจไม่สงบนั่นเอง ถ้าต้องการให้จิตใจสงบต้องการให้กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองอ่อนกำลังลงจำเป็นที่จะต้องมาหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบกิเลสตัณหาก็จะอ่อนกำลังลงเครื่องศ้ความเศร้าหมองของใจก็จะหายไปชั่วคราวทำให้ใจได้มีความรู้สึก สดชื่นเบิกบานทำให้เห็นคุณค่าของความสงบทาให้เห็นคุณทำให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองว่าเป็นตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจพอได้เห็นคุณเห็นโทษของกิเลสตัณหาและเห็นคุณเห็นโทษของความสงบ ใจก็จะเลือกเอาความสงบเพราะความสงบนําความสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจพอออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาเริ่มทำงานก็เอาวิปัสสนามากำจัดกิเลสตัณหาได้เลยเพราะไม่มีอะไรจะกำจัดกิเลสตัณหาได้นอกจากวิปัสสนาภาวนา วิปัสสนาก็คือปัญญาการเห็นโทษของกิเลสตัณหาว่าเป็นเหมือนกับข้าศึกษัตรูของใจจะมาสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความวุ่นวายให้แก่ใจถ้าไม่ต้องการให้กิเลสตัณหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจใจก็จะต้องทาลายกิเลสตัณหาไม่สนับสนุน เวลากิเลสตัณหาต้องการสิ่งใดต้องการทำอะไรก็ต้องขัดขวางต้องไม่กระทำตามวิธีที่จะทำให้ไม่กระทำตามความต้องการของกิเลสตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนั้น ถึงแม้จะให้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังเป็นความสุขที่ไม่สามารถครอบครองรักษาให้อยู่ไปได้ตลอดเรียกว่าอนัตตามเมื่อความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากไม่เที่ยงความสุขนั้นก็จะหายไป พอความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่สังเกตดูเวลาที่เราได้อะไรมาแล้วเราได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้มาพอเวลาเราเสียสิ่งที่เราได้ไปนี้ความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็หายไปแล้วก็ความทุกข์ความเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ทุกครั้งนนี่คือการใช้วิปัสสนาหรือปัญญา สอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการนั้นไม่ได้เป็นความสุขจริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกซ่อนอยู่เป็นความสุขที่ไม่ช้า ก, ก็เร็วจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าการไปกระทาตามความอยากตามความโลภแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ จะให้ความสุขนั้นจะเสื่อมไปหมดไปเพราะไม่เที่ยงแล้วก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้มันเสื่อมได้เพราะเป็นอนัตตาก็จะทำให้ไม่ต้องไม่อยากจะทำตามความอยากไม่อยากจะทำตามกิเลสตัณหาเพราะผลที่จะเกิดจากการทำตามกิเลสตัณหาก็คือจะต้องไปเจอความทุกข์นั่นเอง พอได้พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วเวลาที่เกิดความอยากแทนที่จะไปทําตามความอยากก็ระ ง, งับความอยากด้วยการเข้าไปในสมะถะภาวนาแทนก็ไปทําใจให้สงบแทนพอใจสงบความอยากก็จะหยุดทํางานพอสามารถห้ามความอยากได้ต่อไปความอยากความโลภก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต่อไป นี่คือการภาวนาที่จะทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นบุญสูงสุดก็ว่าได้เป็นบุญที่ที่จะนำความสุขที่สมบูรณ์มาให้แก่จิตใจเป็นบุญที่จะกำจัดความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่ก่อนที่จะเข้ามาสู่การภาวนาได้ ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก่อนและการที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องอาศัยการทำบุญทาทานเป็นเครื่องนำทางก่อนเพราะผู้ที่ทําบุญทาทานนี้จะมีความเมตตาจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่อยากทําอะไรให้ผู้อื่น เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนคนที่ทำทานจึงรักษาศีลได้ง่ายส่วนคนที่ไม่ทำทานนี้จะรักษาศีลได้ยากเพราะคนที่ไม่ทำทานนี้มักจะไม่คำนึงถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นจะคิดแต่ความสุขความทุกข์ของตนเองเวลาต้องการความสุขก็จะทำโดยที่ไม่คำนึงว่าจะไปทำให้ผู้อื่นเขา ทุกข์ยากเดือดร้อนหรือไม่เวลาที่ต้องการกำจัดความทุกข์ของตนเองก็ไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นนี้ถูกกระทบด้วยหรือไม่จากการกระทาของตนก็จะจะทาบาปเวลาที่ต้องการความสุขถ้าทําโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็จะทําบาปเพราะไม่สนใจถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นนั่นเอง ยังเป็นผู้ที่รักษาศีลยากผู้ที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีลยากส่วนผู้ที่ได้ทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีนได้ง่ายเพราะไม่อยากให้ผู้อื่นทุกข์ยากเดือดร้อนคนทำบุญทาทานนี้อยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีความสบายจึงทำให้ผู้ที่ทำบุญทำทานนี้สามารถรักษาศีนได้อย่างง่ายได้ และเมื่อรักษาศีลห้าได้ก็สามารถที่จะเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดต่อไปได้เพราะการที่จะไปภาวนาได้อย่างมีผลนี่จาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปอศีลห้านี้มีกําลังไม่พอที่จะสนับสนุนการภาวนาการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จําเป็นที่จะต้องมีศีลแปดหรือมากกว่านั้น ถ้าศีลแปดถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดได้นจะมีพลังมีเวลาในการที่จะมาชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากจิตใจได้นั่นเองพราถ้าไม่ถือศีลแปดก็อาจจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เพราะว่าศีลห้าไม่ได้ห้าม เช่นจะไปเที่ยวไปงานไปทาอะไรไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูมหัรสย บ, บันเทิงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆไปรับประทานอาหารค่ำไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองนี้สามารถทำได้ถ้ารักเสือเพียงแต่ศีลห้าแต่จะทาให้ไม่มีเวลา มาภาวนานั่นเองมาชำระจิตใจให้สะอาดถ้าอยากจะชำระจิตใจให้สะอาดต้องละเว้นกิจกรรมต่างๆที่ศีลห้าไม่ได้ห้ามคือต้องมาถือศีลแปดแทนเพราะศีลแปดนี้จะห้ามกิจกรรมต่างๆที่จะเอาเวลาของการชำระจิตใจไปนั่นเองนะถ้าถือศีลห้าได้ การจะถือศีลเพิ่มอีกสามข้อก็จะไม่ยากเย็นแต่อย่างใดตอนต้นถ้ายังไม่เคยก็อาจจะลองเอาเอาสักวันหนึ่งก่อนเอาสักครั้งหนึ่งก่อนไม่เคยถือศีลแปดเลยก็ลองไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งถือศีลแปดสักวันหนึ่งแล้วถ้าพอถือศีลแปดได้ก็จะมีเวลาพอไปอยู่วัดก็จะมีเวลาไปนั่งสมาธิไปเจริญสติเพื่อหยุดความคิด เพื่อตัดกำลังของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้อ่อนกำลังลงได้อ น, นี่คือการจะภาวนาจำเป็นที่จะต้องอาศายัยศีลอาศัยทานเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่ทำทานไม่รักษาศีลจะไปภาวนาไม่ได้เพราะจะไปที่อื่นแทนนั่นเองจะไปเที่ยวแทน จะไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำตามความอยากของกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นการลดตัดกำลังของกิเลสตัณหาแต่เป็นการเสริมกำลังเป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้มาสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจ ในภายภาคหน้าม า, า, มาความเศร้าหมองเกิดตอนที่เวลากิเลสตัณหาต้องการจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำนั่นเองเช่นเวลาที่ร่างกายไม่สบายกิเลสตัณหาอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเวลานั้นร่างกายก็บอกไปไม่ไหวต้องนอนอยู่บนเตียงมีไข้ การจะหาความสุขก็หาไม่ได้ลอนนั้นความเศร้าหมองก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเวลาร่างกายไม่สบายจิตใจก็จะไม่เศร้าหมองผู้ที่สามารถกาจัดกิเลสตัณหาออกไปจากใจได้ เวลาร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ต้องเพราะไม่มีความอยากอยู่แล้วเพราะได้กาจัดความอยากได้ด้วยการภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี่คือบุญที่สูงสุดบุญที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ต้องเกิดจากการภาวนาแต่การที่จะภาวนาได้นี้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่มีการฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้วิธีกําจัดเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจไม่รู้ว่าเครื่องเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้เกิดจากอะไร ทำไมถึงต้องมีความเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่พยายามหาความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่มีความสามารถที่จะหาความสุขได้ตลอดเวลาสําหรับบางคนบางท่านมีเงินทองที่สามารถเนรมิตอะไรต่างๆได้อยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากจะไปที่ไหนอยากจะทําอะไรมีเงินทองคอยตอบสนองความต้องการ อยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมความเศร้าหมองมันยังปรากฏขึ้นมาได้อยู่ <Yeah. S 1> ก็เพราะว่าการมีเงินมีทองตอบความสนองความต้องการต่างๆนี้ไม่สามารถไปกําจัดความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองความเศร้าหมองจะหมดไปได้ต้องเกิดจากการภาวนาเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายเพียงไรจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สามารถจะหาความสุขชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ความสุขต่างๆที่หาไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปกำจัดความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะกำจัดได้ก็ต้องอาศัยการภาวนา การจะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมนี่เองการการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมเป็นเหมือนกับการเรียนรู้วิธีว่าจะกาจัดความเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรถ้าฟังเทศฟังธรรม ก็จะได้เรียนรู้ว่าก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆนี่เองต้องมาทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินทองไปใช้ตามความต้องการตามความอยากของกิเลสตัณหาก็เอาเงินทองเหล่านั้นไปทำบุญทำทานแทนเพราะว่าถ้าไปเอาเงินทองใช้กับความอยากแล้วมันจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆพอเวลามีความอยากก็ต้องใช้ เพราะถ้าไม่ใช้แล้วจะมีความรู้สึกเศร้าหมองนั่นเองความอยากเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองการทำตามความอยากก็จะทาให้ความเศร้าหมองนี้สงบตัวลงไปชั่วคราวแต่ไม่หายไปเพราะว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำลายความอยากแต่เป็นการส่งเสริมความอยากให้มีกำลังมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะทำให้ความเศร้าหมองสงบตัวลงไปแต่เดี๋ยวความอยากตัวใหม่จะโผล่ขึ้นมาแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่าต้องการมากกว่าเก่าความอยากนี้มันจะขยายตัวเพิ่มไปเรื่อยๆมันจะกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีขอบมีฝั่ง จะไม่สามารถสามามรถขยายตัวออกไปได้มากไปกว่าขอบฝั่งของหมาสมุรแต่ความอยากของกิเลสตันหานี่มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆไม่มีขอบไม่มีฝั่งถ้าไปส่งเสริมมันถ้าไปทำตามความอยากแล้วมันจะผลิตความอยากที่ยากต่อการตอบสนองให้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ความอยากได้ตอนนั้นความเศร้าหมองความไม่สบายใจก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมคนส่วนใหญ่นี้คิดว่าการจะหาความสุขนี้คือการทาตามความอยากพาะเวลาทำตามความอยากแล้วได้ความสุขทันทีเห็นได้รวดเร็วทันใจ อยากไปเที่ยวพอได้เที่ยวก็เกิดความสุขขึ้นมาอยากซื้อของพอซื้อมาก็มีความสุขขึ้นมาทันทีแต่ไม่ได้มองไปในระยะไกลไม่ได้มองไปในอนาคตว่าแล้วต่อไปถ้าเกิดมีความอยากแล้วไม่สามารถทําตามความอยากได้อะไรจะเกิดขึ้นมาอหรือว่าเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปอะไรจะเกิดขึ้นมาเออ อันนี้ไม่คิดกันะจะมารู้ก็เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาด้วยความอยากก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาหรือเวลาที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคาญใจขึ้นมามือไม้สัน่นดูคนที่อยากอยากยาเสพติดคนที่อยากบุหรี่ อยากสุรา เ, ออเวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้มาเสพได้เวลานั้นมือไม้จะสัน่นใจจะสัน่น เ, เพราะฤทิของความอยากนีออ้นี่คือผลของการที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาความจริงถ้าได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้เรียนรู้ว่าความอยากนี้ความโลภนี้ เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่จะต้องคอยกําจัดที่จะต้องคอยระงับไม่ควรส่งเสริมเพราะส่งเสริมแล้วเท่ากับเป็นการเทน้ํามันลงเข้าไปในกองกองไฟนั่นเองจะทําให้กองไฟที่ลุกอยู่นั้นลุกใหญ่ขึ้นแรงขึ้นถ้าทําตามความอยากไปความทุกข์จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ภายในจิตใจนี่คือบุญชนิดที่สำคัญคือการศึกษาการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรได้เรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์กำจัดได้ด้วยอะไรถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่รู้จากวิธี ก็จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แต่พอได้มาเรียนรู้แล้วทีนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าออถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปก็จาเป็นที่จะต้องไปหัดภาวนากันถ้ายังไม่มีศีลก็ต้องหัดรักษาศีลถ้ายังไม่ได้ทําบุญทาทานก็ต้องทําบุญทาทาน เลิกเอาเงินไปเที่ยวเลิกเอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆ ต, ตามความอยากซื้อได้เฉพาะความจําเป็นนะถ้าซื้อของที่จําเป็นจะต้องซื้อไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นขาดแคลนปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ซื้อมาใช้ได้แต่ถ้ามีครบบริบูรณ์แล้วซื้อมาเพิ่มอีกก็ถือว่าเป็นความอยากเช่นมีเสื้อผ้าเหลือใช้พอใช้แล้ว แต่ยังซื้อเสื้อผ้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าซื้อตามความอยากต้องกำจัดการใช้เงินแบบนี้เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมันจะทำให้ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆจะทำให้รักษาศีลไม่ได้จะทำให้ไม่มีเวลาไปภาวนานั่นเองนี่กิดสิ่งที่เราจะต้องศึกษาบุญที่ ที่พูดอยู่สี่ชนิดนี้ถือว่าเป็นบุญสำคัญเรียกว่าเป็นบุญหลักถ้าเป็นอาหารก็เป็นเหมือนอาหารหลักอาหารหลักก็คือกับข้าวกับปลาที่เรารับประทานกันทุกวันส่วนอาหารเสริมนี้จะรับประทานมีรับประทานก็ดีไม่มีรับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นขนมนมเนยผลไม้อะไรต่างๆ ถ้าบางวันไม่มีรับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามีอาหารหลับถ้ามีกับข้าวกับปลาไว้รับประทานก็ทําให้ร่างกายอยู่ได้ระงับความหิวได้ส่วนอาหารเสริมถ้ามีมันก็ทําให้มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ไปทําให้ร่างกายมีได้รับประโยชน์อะไรมากไปกว่านั้น ร่างกายได้รับอาหารหลักเพื่อกำจัดความหิวเพื่อเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็ใช้ได้แล้วบุญก็เหมือนกันบุญก็มีแบ่งไว้เป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มหลักกับกลุ่มเสริมบุญเสริมนี่เราก็เลือกทำตามวาระโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะทำบุญเสริมก็ทำไปแต่บุญหลักนี่เราต้อง ทำเป็นประจำต้องถือว่าเป็นบุญที่เราขาดไม่ได้เช่นการทำบุญทาทานถ้าเรายังใช้เงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากอยู่เราต้องเอาเงินนั้นไปทำบุญให้ได้อย่าปล่อยให้เอาไปซื้อของตามความอยากเราจะทําให้เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาใช้บ่อยๆมากๆแล้วทำให้เรารักษาศีลได้ง่าย ส่วนบุญที่อื่นที่เราอาจจะทำกันตามโอกาสเช่นเวลามีคนที่เรารู้จักตายไปเราก็อยากจะให้เขาได้บุญเพราะเขาไม่สามารถเอาบุญเอาบุญถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเขาของเงินทองเขาก็เอาไปไม่ได้แต่เราก็พอจะช่วยเขาได้ด้วยการทำบุญแล้วส่งบุญนี้ไปให้เขาได้ เรียกว่าอุทิศบุญเช่นเวลาเราไปงานศพต่างๆเราก็ไปร่วมทำบุญกันไปร่วมอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเพื่อให้เขามีบุญติดมีบุญดูแลเขาเขาจะได้ไม่อดอยากขาดแคนเรียกว่าบุญอุทิศหรือเวลาเรามีผู้เห็นคุณมีคนเขาอยากจะทำบุญเราก็อนุโมทนาบุญคือสนับสนุนเขา เราสนับสนุนเขาได้เราอยู่ในฐานะที่ควรจะสนับสนุนเขาแล้วก็ควรจะสนับสนุนเช่นคนที่เขาทางานกับเราเขาอยากจะไปร่วมบุญฉลองเจดีย์อยากจะไปบวชสักสิบวันขอลา ง, งานเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็บอกเออสาธุอนุโมทนาให้เขาลา ง, งานไปบวชได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ ส่งเสริมให้เขาได้ทําบุญตามที่เขาต้องการกระทำอันนี้ก็แล้วแต่วาระโอกาสเหตุการณ์ถ้ามีใครมาให้เราอนุโมทนาบุญถ้าเราพอที่จะอนุโมทนาบุญได้ก็อนุโมทนาบุญไปคือสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาให้เขาได้ทําบุญตามที่เขาปรารถนาการทำให้คนอื่นเขาได้ทําบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจแล้ว บนอีกอย่างก็คือเวลาเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งต่างๆมาขอความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปขาดแคลนอะไรขาดแคลนข้าวของเงินทองปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอะไรที่เรามีกําลังพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็เรียกว่า เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือเวลาที่เราไปวัดหรือไปร่วมงานตามที่ต่างๆแล้วเขามีงานในการในที่จะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยกันไปบางคนก็ไปช่วยในโรงครัวช่วยกันล้างถ้วยล้างชามบางคนก็ไปช่วยรับแขกรับคนไปช่วยจัดสถานที่ไปทําอะไรต่างๆ การช่วยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราทาตามวาระตามโอกาสที่เราไม่ได้ทำตลอดเวลาอันนี้เป็นบุญที่เวลามีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาหรือบุญที่เกิดจากการ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนก็เหมือนกันเวลาเราไปพบปะบุคคลต่างๆถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้การพบปะกับผู้อนี้เป็นไปได้อย่าง เรียบง่าเยเรียบร้อยไม่มีปัญหาถ้าไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการถือเนื้อถือตัวมีกวนอวดเบนอวดเก่งนี่ก็อาจจะมีปัญหากับผู้ที่เราไปพบปะได้ถ้าเราไม่ต้องการอยากจะมีปัญหากับใครพยายามทำตัวเราให้เป็นผู้น้อยไวพระอุตจา้าบอกว่าให้หัดทำตัวให้เป็นปัตตพีทำตัวเป็นแผ่นดิน เราไปอยู่ที่ไหนกับใครนี้จะไม่มีปัญหาจะไม่มีใครก็รังเกียจเพราะเราไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกต่ําต้อยแต่อย่างใดพอไปทําให้เขารู้สึกสูงขึ้นกว่าเราถ้าเราทําตัวต่ํากว่าเขาเขาก็ดีใจเขาดีใจว่าโอ้ยเขาสูงกว่าเราเราต่ํากว่าเขาเขาก็จะรักเราชอบเราแต่ถ้าเราทําไปทําตัวว่าเราสูงกว่าเขาดีกว่าเขา บางก็ฉลาให้เขารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยเขาก็อยากไม่อยากที่จะเข้าใกล้เราเข้าใกล้เราแล้วเขาต่ำต้อยสู้ไปเข้ากับคนที่เข้าแล้วเขารู้สึกว่าเขาสูงไม่ดีกว่าเลยเอราะฉะนั้นคนที่ทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะมีความสุขเวลาที่ได้พบปะกับบุคคลต่างๆเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับบุคคลต่างๆเวลาที่ต้องไปทากิจกรรมร่วมกัน ไปทำอะไรกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมากจะไม่มีปัญหากับใครอันนี้คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญอีกข้อหนึ่งที่เราควรจะมีคือมีความเห็นที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นตามความเป็นจริงเช่นเห็นแมวเป็นแมวเห็นหมาเป็นหมา ไม่ใช่เป็นหาเห็นหมาเป็นแมวเห็นแมวเป็นหมาถ้าเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดได้ถ้าเห็นอะไรเป็นตรงกับความเป็นจริงเราก็จะได้ทำอะไรให้มันถูกต้องได้เช่นเห็นว่าบุญมีจริงบุญมีประโยชน์ต่อจิตใจบุญนำความสุขมาให้กับจิตใจบาปนำความทุกข์มาให้กับจิตใจ ถ้าเรารู้ว่าบุญมีประโยชน์เราก็จะทำแต่บุญถ้าเรารู้ว่าบาปมันมีโทษเราก็จะไม่ทำบาปกันอันนี้คือการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีเราก็ต้องอาศัยผู้ที่มีมาสอนเราเราก็ต้องไปอาศัยการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์การฟั่งเทศฟั่งธรรมนี้ก็จะช่วยทาให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง เพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำทุกคพูดนี้เป็นความจริงดังนั้นเรื่องของบุญว่าบุญนี่มีคนมีประโยชน์ให้ความสุขกับจิตใจให้จิตใจไปสวรรค์สวรรค์มีจริงเนี่ยเป็นความจริงบาปมีจริงทำบาปแล้วจะทำให้ใจทุกข์ใจร้อนตายไปบาปก็จะให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรก หรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่อันนี้เป็นความจริงเป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจสิ่งที่มีพิษมีภัยมีโทษกรต่อดจิตใจเราก็จะไม่ทำคือเราจะละการกระทําบาปทั้งปวงเราจะชำระจิตเราจะสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม เราจะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พะจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นำความสุขมาให้กับจิตใจเป็นอย่างมากนั่นเองนอันนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ควรที่จ ะ, สะแสวงหาสัมมาทิฏฐิด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กันไม่มีพระพุทธเจ้าให้เข้าหาก็มีพระธรรมตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกสามารถที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิเกิดความเห็นที่ถูกตั้งได้หรือถ้าเรารู้จักพระอริยสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายๆรูปเราก็เข้าหาพระอริยสงฆ์ได้พระอริยสงฆ์ก็จะสอนความจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้ทรงเห็นเมื่อสอนแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความจริงเราจะได้รู้ ว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการทำตามความอยากต่างๆการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการยุติการกระทำตามความอยากต่างๆ ด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตะภาวนานี้เองนะนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆเวลาใดมีโอกาสให้รีบทำบุญทำทานกันเพราะบุญนี้มีแต่คนมีประโยชน์ถ้าไปทำอย่างอื่น เช่นไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะได้ความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะได้ความทุกข์อันใหญ่หลวงตามมาต่อไปเพราะว่าต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแล้วเวลาที่ตายไปแล้วก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก เพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปจากใจความอยากนี้มีอยู่ในใจเพราะเราส่งเสริมมันเราไม่คอยกำจัดมันเพราะเราคอยทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดกหรือผลักดันให้ใจของเราไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดใหม่ในครั้งนี้การมาเกิดของเราแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าพิศวาสน่าพิศวาสมากนะ พามันไม่ได้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขในชีวิตของเรานี้นานๆจะมีความสุขสักครั้งแต่ความทุกข์นี้แทบจะมีอยู่ทุกวันเลยทุกทางทางร่างกายทุกทา ง, ท ง, ท ง, ท ง, ทงจิตใจมีเรื่องให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้ามาเกิดแล้วถ้าเราไปทำตามความอยากความอยากนี้ก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เรามาเกิด และการเกิดของเรานี้ก็เป็นมาอย่างยาวนานแล้วแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะให้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดการกระทำตามความอยากต่างๆนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันเพื่อที่เราจะได้กำจัดความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปที่เราจะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราหมดสิ้นไป ừ, การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นความทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายไม่ว่าจะเกิดดีขนาดไหนก็ตามเกิดมาเป็นพระราชามหากษัตร เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีก็หนีไม่พ้นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีถ้าไม่อยากจะมาเจอความทุกข์ต่างๆก็ต้องหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดก็ต้องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจการจะกำจัดได้ก็ต้องไปศึกษาวิธีต้องไปเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดภพชาติให้หมดไปเพราะพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ได้กำจัดมาแล้วรู้วิธีกำจัดอย่างถูกต้องแม่นยำถ้าได้ศึกษาจากพระพุพทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วก็จะได้กำจัดความทุกข์ให้หมดไปกำจัดการเวียนว่ายให้สิ้นสุดลงจิตใจจะได้มีแต่ความสุขอยู่ไปกับความสุขไปตลอด อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาุกอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราทุกคนสามารถที่จะทำกันได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะสามารถปฏิบัติตามคำสอนได้พุทธบริษัท ส, สี่นี้สามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุภิกษุณีหรือสามเณรนีน้ถือว่า เป็นผู้พร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติและรับประโยชนจากการปฏิบัติตามคำสอนได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนจนหรือคนรวยคนต่ำหรือคนสูงไม่มีปัญหาทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคาสั่งคาสอนได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ แล้วปฏิบัติเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เข้าหาคำสอนเข้าหาการปฏิบัติตามคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆที่จะเพ่งได้รับก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับขึ้นอยู่ที่เหตุถ้าทำมากก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วถ้าทาน้อยก็จะได้ผลน้อยได้ผลช้าอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละบุคคล อันนี้ไม่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะมาบังคับให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยได้ผู้ปฏิบัติเองจะต้องเป็นผู้บังคับตนเองถ้าอยากได้ผลมากได้ผลเร็วก็ต้องปฏิบัติมากถ้าได้ถ้าไม่ต้องการผลเร็วก็ปฏิบัติไปตามอารมณ์บางวันอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติบางแย้บางวันไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ต้องปฏิบัติ ผลอยู่ที่การปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่อยู่ที่การ อ, าอธิษฐานขอจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อธิษฐานอย่างไรก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้ผลเร็วปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะได้ผลช้าอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องคอยดูสอดส่องดูการปฏิบัติของตนว่าได้ปฏิบัติมากหรื อ, อยัง ควรจะเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างไรนะต้องคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราทําได้เต็มที่หรื อ, อยังถ้ายัางทําไม่ได้เต็มที่ก็ควรจะเพิ่มให้มันได้เต็มที่เพื่อที่เราจะได้ได้รับผลประโยชน์เร็วๆเพราะว่าเวลาของเรานี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเรานี้จะสั้นลงสั้นลงเหมือนเหมือนเทียนที่เราจุดไว้พอจุดเทียนแล้ว ต้นเทียนมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็จะหมดไปชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสิ้นสุดลงนั้นเราไม่ควรประมาทเราควรรีบตักตวงผลประโยชน์ที่เราเพิ่งจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ให้ทำให้ให้ทำมากมาก เช่นวันไหนว่างเช่นวันนี้วันหยุดก็รีบมาศึกษากันรีบมาปฏิบัติกันแล้วเราจะได้ทำงานให้สำเร็จก่อนที่เวลาของเราจะหมดไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลัง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 สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวาภิวัตนสีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธัมมาวัานติอายุวันโอสุขังภาลา วันนี้การถ่ายทอดสดในเฟซเฟซบุ๊กนี้ถ่ายทอดสดได้ในหน้าหลักใช่ไหมเข้าหน้าหลักก็ดูได้แต่ถ้าหน้าแฟนเพจเข้าไปไม่ถ่ายทอดไม่ได้มีปัญหาโพสต์อะไรไม่ได้หน้าแฟนเพจแต่หน้าอื่นใช้ได้คงจะมีอะไรแปลกๆอยู่คงต้องโทรไปถามทางเฟซบุ๊กเขาดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็ยังแต่ก็ยังติดตามได้อยู่ใช่ไหม <S <S มีคนเข้าถึงก็บ่ายอดตกเหลือร้อยสิบสองค่ะ Facebook <S <S <S <S แต่ไปมากที่ y ยูทูบที่ YouTube ค่ะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว เ, เขาอาจจะอัปเดตอะไรอยู่ม้งอะไรเดี๋ยวคงจะกลับมาเป็นปกติ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก f a c e b o o ร้อยสิบสอง e 249, บสองร้อยสี่สิบเก้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าผู้รับฟังบนเขาแปดสิบเอ็ดรวมสี่ร้ยเจ็ดสิบเอ็ดท่านคะ่ะ ถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายวิธีการเจริญอ น, นิจจสัญญาว่ามีหลักการทําอย่างไรและทําเวลาไหนได้บ้างอันนี้จะแปลว่าไม่เที่ยงไงมีอะไรเที่ยงบ้างก็ลองสังเกตดูแม้แต่เที่ยงวันมันยังเที่ยงมัแป๊บเดียว มันเที่ยงปั๊บหนึ่งนะมันก็เลื่อนไปละทุกอย่างมันเลื่อนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงคําว่าอนิจจาก็คือมันเปลี่ยนแปลงไม่ไม่อยู่กับที่เพราะมันมีการเคลื่อนไหวโลกมันเคลื่อนไหวหมุนอยู่ตลอดเวลาการหมุนของโลกมันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามกับการหมุนของโลกเนี่เวลาก็เปลี่ยนใช่ไหมจากวินาทีนี้ก็ไปเสววินาทีต่อไปต่อไป อันนี้ก็คือการการศึกษานิจจาและศึกษาได้ทุกเวลายกเว้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการใช้ความคิดเราต้องการหยุดพักความคิดเพื่อให้ใจเรามีความสุขตอนทำสมาธิจึงไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาศึกษามาเจริญปัญญาบางท่านเข้าใจผิดคิดว่า นั่งสมาธิพอใจสงบแล้วต้องเริ่มปัญญาเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเวลาจิตสงบแล้วต้องให้มันสงบนานๆเหมือนกับคนพอนอนหลับปั๊บรีปลุกขึ้นมาไปทำงานมันไม่ได้เพราะว่ายังพักผ่อนหลับนอนไม่พอคนเวลาเขาหลับนี่อย่าไปปลุกให้เขาขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนเต็มที่พอเขาอิ่มแล้วเขาตื่นขึ้นมาเอง จิตก็เหมือนกันจิตเข้าสมาธิพอจิตสงบแล้วเขาก็จะสงบไปตามความต้องการของเขาพอเขาอิ่มตัวแล้วเขาก็จะถอนออกมาดังั้นตอนที่จิตเข้าสมาธิเหมือนเหมือนตอนที่คนนอนหลับอย่าไปรบกวนพยายามใช้สติรักษาประครับประคองให้จิตสงบไปนานๆเพราะการพักในงานจะมีกําลังมาก ที่เราจะได้เอามาใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปเวลาออกจากสมาธิพอจากสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะพิจารณาก็พิจารณาได้อานิจจาอะไรบ้างมีอะไรบา้รบางที่ไม่อนิจจามีไหมไม่มีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตโตแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ค่อย เติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ล้มตายลงไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไปหมดข้าวของต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาซื้อมาใหม่ๆก็ดูสวยสดงดงามเก็บไว้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสื่อมไป้ไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้มันเลยทําให้ผู้ที่ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ทุกใจใจของพวกเราทุกเพราะเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราชอบให้มันอันไหนมันดีเราก็อยากจะให้มันดีไปตลอดแต่มันเราไม่สามารถที่จะไปห้ามสิ่งที่ดีให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะนี้คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องทําใจให้รับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ จะรับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราใช่ไหมร่างกายต่อของเราจะแก่ลงไปเรื่อยๆหนังจะเหี่ยวไปเรื่อยๆผมจะขาวมากขึ้นมากขึ้นอาการเจ็บปวดต่างๆทางร่างกายก็จะมีมากขึ้นอาการบกพร่องทางร่างกายก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปถ้าเราไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราก็จะมีความทุกข์มาก ถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ปรับตัวปรับใจเราให้รับกับสภาพของร่างกายไปถึงเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราปรับใจให้รับกับการกับสภาพการเป็นจริงของร่างกายได้นี่คือทำไมเราต้องพิจารณาปัญญาเพื่อให้เราเตือนใจสอนใจว่ า, าของทุกอย่างที่เรามีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะ เปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องหัดชอบให้ได้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราห้ามได้ก็ห้ามไปนานแล้วแต่เราห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต้องปรับใจปรับใจของเราให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาเพอใจปรับรับได้ใจก็จะไม่สะเทือนใจก็จะไม่ทุกข์ แต่เวลาที่เรายังไม่มีสมาธินี่ถึงแม้ว่าเราออกจากสมาธิมาแล้วสมาธิเรายังไม่ชนานาญหรือยังไม่แก่ก็ยังไม่ลึกยังไม่นานแทนที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาเราอย่าเพิ่งจเจริญปัญญาเราควรมาจเจริญสติต่อเพราะสติจะเป็นตัวที่จะทำให้สมาธินี้เข้มข้นมากขึ้นสงบได้มากขึ้นได้นานขึ้น ถ้าเราออกมาคิดด้วยปัญญาเดี๋ยวจิตฟุง้งซ่านและเวลาจะกลับไปนั่งสมาธิอาจจะเข้าไปไม่ได้งั้นถ้าสติเรายังไม่แก่กล้าไม่มีความสามารถที่จะสั่งให้จิตสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการเรายังไม่ควรไปทางความคิดทางปัญญาควรจ ะ, จะเจริญสติต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว เหมือนกับตอนก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราก็ฝึกสติพอเราเข้าสมาธิออกมาเราก็ฝึกสติต่อไปจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาและเข้าได้นานและเวลาออกมาก็สามารถที่จะรักษาความสงบไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านได้อั น, นั้นแหละเราถึงจะควรไปทางปัญญาต่อไป คำถามที่สองจากท่านเดิมนะคะถ้าเรามีความคิดหรือความรู้สึกว่าเรามีเคราะห์มีแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตในทางพุทธศาสนามีวิธีการแก้เคราะห์อย่างไรไหมครับาทางศาสนาให้คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปแปลความหมายว่าเป็นเคราะห์เป็นโน่นเป็นนี่ไป ความจริงมันเป็นเรื่องของภาวะต่างๆที่มามามากระทบกันมาเจอกันมันก็เลยทำให้เกิดมีอะไรต่างๆขึ้นมามีดีบ้างไม่ดีบ้างทางศาสนาก็เรียกว่านี้ก็เป็นอนิจักเป็นเรื่องของกฎทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้คนที่อยู่ในโลกนี้ถูกอิทธิพลของดินฟ้าอากาศ มันก็ถูกกดดันให้กระทำอะไรต่างๆไปก็เลยมีผลกระทบต่อกันและกันไปนั้นวิธีคิดก็คือเราต้องคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะที่มีการขึ้นมีการลงมีการเจริญมีการเสื่อมวิธีที่จะทาให้จิตใจเราไม่ถูกกระทบกระเทือนก็คือต้องหัดทําใจให้นิ่งเฉยให้เป็นอุเบกขา แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาที่จิตใจไปสัมผัสรับรู้จะไม่มาทําสร้างความวุ่นวายให้แก่จิตใจจิตใจจะสามารถอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะจิตใจนี้เป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเองไม่ได้รับเป็นผู้ที่จะเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงเป็นเพียงแต่ผู้มารับรู้ มารับรู้ผ่านทางร่างกายจิตใจไปหลงติดอยู่กับร่างกายไปคิดว่าจิตใจเป็นร่างกายพออะไรมากระทบกับร่างกายก็จิตใจก็ไปคิดว่าตนเองถูกกระทบด้วยความจริงจิตใจไม่ได้ถูกกระทบเลยสิ่งที่มากระทบนี้กระทบที่ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นจิตใจจิตใจเป็นผู้ที่ควบคุมบังคับร่างกาย เป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนกับคนขับรถกับรถนี่เป็นคนละส่วนกันเวลารถไปชนอะไรนี้คนขับไม่ได้เจ็บตัวไปกับรถแต่เนื่องจากคนขับหลงไปคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของรถก็เลยไปเจ็บไปกับรถเท่านั้นเองร่างกายเป็นอะไรจิตใจก็ไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยเจ็บไปกับร่างกายความจริงจิตใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้การเจ็บของร่างกาย ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไม่วุ่นวายใจก็คือหนึ่งเราต้องแยกใจเราออกจากร่างกายด้วยการทําใจให้เราเฉยเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ถูกกระทบเพียงเราเราเพียงแต่จะรับรู้ว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้โดนคนนั้นทุบคนนั่นตีแต่ผู้ที่ถูก ทุบถูกดีคือร่างกายแต่ใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ก็ให้รับรู้เฉยๆไปไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกาย <c oughs> แล้วอะไรมีมากระทบกับร่างกายก็จะไม่มากระทบกับใจต่อไปนี่คือการปฏิบัติทำเพื่อสอนใจและแยกใจให้ออกจากร่างกายให้ได้ให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจเป็นเพียงแต่ผู้ใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆผู้ที่รับเคาะก็คือร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้กันรับเคาะของร่างกายก็รับรู้ไปใจก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไปคาถามจากคุณนัทธการนุษย์พระอาจารย์คะ ปัจจุบันนี้เราสามารถทำบุญทำทานได้สะดวกง่ายดายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางวัดทำได้ทุกวัดฟังธรรมได้ทุกวันโยมอยากทราบว่าานิสง์ของการมาใส่บาตรทำบุญที่วัดด้วยตนเองกับการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อร่วมบุญนั้นต่างกันอย่างไรคะส่วนเรื่องของจิตใจโยมก็เกิดความปิติเพราะได้ร่วมทำบุญกับทางวัดแม้จะไม่ได้สามารถเดินทางมาร่วมบุญด้วยตนเอง ก็ดูที่จิตใจของเราถ้าเรามีความสุขมีปิติจากการทำบุญไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ถือว่าเหมือนกันดูที่ผลคือจิตใจการทำบุญบางอย่างสำหรับคนบางคนอาจจะไม่เพิ่มปิติก็ได้ก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ทำให้เขามีความรู้สึกเพิ่มปิติแต่ก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ความเพิ่มปิติคือได้ความพอใจสบายใจ แต่ถ้าได้ทำบุญชนิดที่เราชอบที่เห็นผลทันตาทำแล้วมันทำให้เรานอกจากมีความสบายใจพอใจแล้วยังมีความปลื้มปิติขึ้นมาอันนี้ความปลื้มปิตินี้ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันบางทีเราทำบุญบางอย่างเราไม่ค่อยปลื้มปิติเพราะเราไม่รู้ว่าผลเกิดขึ้นหรื อ, อยังผลที่เราทำบุญเช่นเขาเอาให้เงินใส่ซองไปแล้วเราก็บอยจากไปนี่ เราก็ไม่ได้ไปติดตามดูว่าผลมันเป็นยังไงความเพิ่มปิติมันก็ไม่เกิดมันก็ได้เพียงแต่ความสุขที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันไปเท่านั้นเองค่ะำถามจากคุณนาทีกราบธรรมสการอยากถามว่าทําไมจึงจําบทสวดมนต์ไม่ได้สัทีพอพระสวดก็สวดตามได้แต่จําไม่ได้ค่ะก็ไม่จํามันก็จําไม่ได้เลย คนจะจาได้ก็ต้องหัดท่องอยู่เรื่อยๆใช่ไหอหัดจําอยู่เรื่อยๆถ้าไมันจำชื่อตัวเองได้ก็จํามันอยู่เรื่อยๆใช้มันอยู่เรื่อยๆมันก็จําได้อันไหนพอเราไม่จํามันมันก็จําไม่ได้อยางจะจําได้ก็มาสวดเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆสิเอามานั่งสวดเรื่อยๆสวดบ่อยๆสวดซ้ำๆซักๆอยูน่นะเดี๋ยวมันก็จําได้คําถามจากคุณสุภวัต ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์กระผมภาวนาแล้วเคยถูกวิปัสสนูกิเลสเล่นงานจนเกือบวิปลาสเพิ่งเริ่มกลับมาภาวนาใหม่รู้สึกกายวาจาสงบขึ้นไม่ทราบว่าสิ่งนี้คือปัสสันทิในวิปัสสนูกิเลสสิบหรือไม่ครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอสารภาพพวกก็ไม่ได้ศึกษรารละเอียดถึงขนาดนั้นอำว่าปัสสันทินี่ก็ไม่เข้าใจลองศึกษาทางกูเกิลดูก็แล้วกันนะ เราดูแต่ที่ใจอย่างเดียวดูว่าปฏิบัติแล้วใจสงบใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายก็ใช้ได้ว่ามันจะมีชื่ออะไรเราไม่ค่อยรู้คะคำถามจะคุณเอนจอยกราบเรียนถามพระอาจารย์วิธีทำกรรมฐานที่ให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายรา ย, รายละเอียดด้วยครับนิบนิพพานก็คือความสุขใจอย่างยิ่งเรียกว่าบรมสุข เราก็นึกถึงความสุขสุดๆแล้วเราก็พยายามให้จิตใจเราอยู่กับความสุขสุดๆนั้นมันก็จะเป็นนิพพานเทียมขึ้นมาในใจเราเหมือนกับเราเึียถึงเงินในธนาคารอย่างเงี้ยนึกถึงมันบ่อยๆอ่ามันก็รู้สึกว่าเราล่ำรวยขึ้นมามีเงินมากในธนาคาระมันเป็นการนึกนึกถึงความสุขของพระนิพพานก็ทำให้ใจสงบทำให้ใจสบายได้เหมือนกัน ก็เป็นการนึกแต่มนันยังไม่ได้เป็นของจริงพอเราหยุดนึกเมื่อไหร่มันก็หายไปมานั้นแต่เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้ใจหายฟุง้งซ่านหายวุ่นวายใจได้หมดแล้วเหรอมีอีกค่ะาถามไปเรื่อยๆคำถามจากคุณวชิรวิทย์กราบเรียนเคยฟังว่าอายุไขมนุษย์มีสั้นมียาวเป็นหมื่นปีทำให้เกิดปลงสังเวชเช่นไม่ดื่มเหล้าอีกเลยกลัวผิดศีลห้ามาก บางครั้งก็จำเป็นสำนึกตรงนี้จะติดตัวเราไปตลอดไหมและเป็นสัญญาหรือว่าปัญญาก็แล้วแต่ถ้ากลับไปทำอีกก็ยังเป็นสัญญาอยู่ถ้าเลือกทำโดยเด็ดขาดก็เป็นปัญญาก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆคำถามจากคุณสุภาพกราบเรียนถามพระอาจารย์การทำเมตตาภาวนานั้นทำอย่างไรคะ ขณะทำสมาธิต้องทำเมตตาภาวนาไปด้วยไหมคะอ๋อไม่หลอกการ เ, เมตตาภาวนาก็เป็นกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีเวลา จ, จะนั่งสมาธิสมมุติแล้วใจเรายังไปโมโหกวคนนั้นโมโหคนนี้อยู่ให้พุทธโธก็ไม่ยอมหยุดโมโหให้ดูลมก็ไม่ยอมหยุดโมโหก็ให้ใช้เมตตามาหยุดโมโหคือให้อภัยเขา อย่าไปถือโทษกด เ, เครื่องเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันถ้าเราใช้เมตตาได้ให้อภัยเขาได้ความโมโหวความกดเครื่องก็จะหายไปจิตก็จะสงบได้เรียกว่าเมตตาภาวนาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนในการภาวนาถ้าตามปกติถ้าเราไม่โกรธใครไม่มีอาการอาฆาตพยาบาทใครไม่มีอุปสรรค เราก็ไม่ต้องใช้เมตตาภาวนาเราก็ใช้พุโทโธไปตามปกติหรือใช้ลมหายใจไปตามปกติแต่ถ้าความคิดผุดขึ้นมาถึงคนที่เราเกลียดชังอยากจะโกรธแค้นโกรธเคืองอยากจะทำร้ายเขานั่งแล้วไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธตอนนั้นเราก็ต้องเอาเมตตาภาวนามาแก้วิธีการก็คือต้องให้อภัยเขาต้องไม่จองเวรจองกรรมเขา Mm hmm. คำถามจากคุณธรรมดาโลกธรรมแปดปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนทานศีลภาวนารู้สึกว่าใจมีที่พึ่งอุ่นใจว่าตอนตายใจมีที่เกาะไม่เคว้งเหมือนก่อนแต่ที่พึ่งนี้ยังไม่เที่ยงใช่ไหมคะต้องทำไปเรื่อยๆจนหมดกิเลสหรือเปล่าค ะ, ะมันก็ยังเป็นแบบอ เมืกับเด็กอะ่ะที่ถ้าทํามากมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มต้นมันก็ยังล้มลุกคลุกคานอยู่ก็ต้องฝันพยายามทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทําให้จิตใ จ, จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความมั่นงคงคําถามจากคุณ รังกราบเรียนถามครับพระอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแม้ถือศีลห้าครบก็ยังตกนรกถ้าไม่นั่งสมาธิแม้ทุศีลถ้านั่งสมาธิก็ยังไปสวรรค์จริงหรือไม่ครับไม่จริงนะถ้าไม่คือถ้าถือศีลห้าได้ที่ว่าไปนรกก็เพราะว่าบาปเก่ายัางมีอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าการถือศีลเพียงอย่างเดียว ก็ยังมีบาปเก่าอยู่การถือศีลห้าก็ยังอาจจะห้ามการไปเกิดในนรกไม่ได้แต่ถ้ามีบุญมากกว่าบาปถึงแม้จะไม่ถือศีลนะแต่ถ้าบุญในใจมีมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญมันก็จะไม่มันก็จะดึงไปสวรรค์แทนเั้นขอให้เราดูตรงที่ผลลัพธ์เวลาที่เราตายเหมือนกับบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเช่นปีเรามาตรวจบัญชีดู ถ้ารายรับเรามากกว่ารายจ่ายเราก็กำไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับเราก็ขาดทุนเวลาเราตายไปก็เหมือนกับเวลาที่เรามาคิดบัญชีบุญบัญชีบาปถ้าบุญมันมีมากกว่าบาปบุญมันก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปอบายมันไม่สนใจว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ถือศีลหรือไม่ทาบุญทำบาป หรือไม่มันมาดูที่ยอดว่าอันไหนมันมากกว่ากันเพราะบางทีอาจจะถือศีลบ้างไม่ถือศีลบ้างทําบุญบ้างไม่เทียมบุญบ้างทํามากบ้างทําน้อยบ้างอะไรทํานองนี้เน้นเราจะมาดูเฉพาะวันเฉพาะเวลามันไม่ได้เราต้องมาดูตอนที่รวมยอดกันรวมยอดเวลาตายนั้นอนะ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่ า, วาจะไปทางไหนกันเห็นไหมดูยกตัวอย่างอพระโพ พระเทวทัตนี่บวชต้องยี่สิบกว่าปีมีศีลมีสมาธิแต่ไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าในช่วงปลายของชีวิตสามครั้งก็ยังบาปหนักกว่าบุญที่ทำไว้พอเวลาตายไปบาปก็ดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ได้อยู่ว่ารักษาศีลนั่งสมาธิหรือไม่มันอยู่ที่การกระทำอย่างอื่นด้วยที่เราไม่ได้พูดถึงกัน ชีวิตของเราเราทําบาปทําบุญเนอกที่เราไม่ได้จดไม่ได้จํากันไว้เยอะแยะแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันจําให้เราไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ลืมนี่ยันมันอยู่ที่ตอนที่ตายอย่างดูส่วนส่วนองค์คุลิมาเนี่เห็นไหมฆ่าคนนองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่เามาภาวนาตามที่พระเจ้าสอนก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ตายไปก็ไม่ไปเกิดเลยไม่ต้องไปใช้กรรมเลยเพราะฉะนั้นมัน มันมันอยู่ที่ยอดเวลาตายแปลว่าบุญกับบาปอันไหนมันมีมากกว่ากันบุญมีมากกว่ามันก็ดึงไปสุคติไปนิพพานได้ถ้าบาปมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปอบายดึงไปนรกได้ถึงแม้จะบวชเป็นพระมาต้องหลายสิบปีมีอภิญยาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการไปเกิดในอบายได้ถ้าเกิดไปทาบาปที่มีกาลังมากกว่าบุญที่ทาไว งั้นสรุปก็คือมันต้องดูตอนตายดูยอดงั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่นี่มันไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าทําบุญทํามากเท่ไหรนักษาศีลรักษามากน้อยอนั่งสมาธินั่งมากน้อยเพียงไรเพียงแต่พูดแบบนี้มันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่เพียงพอข้อมูลมันไม่เพียงพอที่จะว่าไปทางทิศใดทิศหนึ่งนะงั้นพูดที่ตายไปนะรู้เองอว่าจะไปทิศไหน <laughs> เวลาตาย เพื่อความไม่ประมาณก็ขอให้เราพยายามทําบุญให้มากกว่าบาปก็แล้วกันหมดแล้วแหละมีเข้ามาแล้วค่ะจะคุณอนาปานั่งสมาธิไปแล้วสั่นสะเทือนไปในตัวเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติเพราะถ้านั่งแบบไม่มีสติควบคุมใจเดี๋ยวใจก็แสดงอาการแปลกๆต่างๆขึ้นมาได้ยังต้องนั่งแบบมีสติแล้วจะไม่มีอาการ สติก็คือต้องพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่หยุดหรือนั้นก็ต้องดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไปนั่งเฉยๆเดี๋ยวไปละเดี๋ยวก็มีอาการแปลกๆโผล่ขึ้นมาได้คำถามจากคุณสุภวัตขอโอกาสเรียนถามครับพระอาจารย์กระผมเคยมีมีอาการจิตย้อนเข้าหาตัวเองจนหูดับเราแค่รับรู้เหตุการณ์รอบข้างไม่มีความคิด แบบนี้คืออาการของฌานไหมครับก็อาการของจิตที่มันไม่รับรู้แหละจะไม่รู้เรียกว่าฌานหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันดีไม่ดีถ้าดีก็ถ้ารู้วิธีทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้บ่อยๆก็ทําไปถ้าไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุบางทีจิตมันอยู่ดีๆมันก็อาจจะพลิกไปเป็นอย่างนั้นได้มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ แต่ไม่ต้องไปสนใจชื่อมันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกมันว่ายอย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอาการของจิตแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้ามันดีถ้าเรารู้วิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอีกก็ทำต่อไปถ้าไม่รู้ก็ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาหัดทำตามที่เจ้าส่งสอนให้มาฝึกสติหัดมานั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเข้าไปแบบนั้นก็ได้